คุณชับตัตรมนุษย์นั่นคือฉินห้าแต่ปานาถึงชุลาแต่คําว่าคุณชับัติมนุษย์คือฉินห้านั้นก็ตีความให้ช่าคือคนที่มีสติปัญญา mm. ถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ <Yeah. S 2> ถ้าคนไม่มีสติปัญญาต้องเกิดไม่ไม่มีอะไรผิดกับสิงสาราสัต mm hmm. ว์ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดชชานเกิดมาเยอะแยะแล้วจะรู้ว่าอย่างไร <Okay. S 2> นี่แหละคือคุณสม่บัติมนุษย์ก็คือมีสติปัญญา <Yeah. S 2> เป็นมนุษย์แระ ว, ว่าจิตสูง